Book 2 4สี่สิบการสอบถามทางเยาว a t ตเซลขอโทษครับอั i ไ o นอยด์ลูดูช่วยผมทีได้ไหมครับ Vai jūs varat man p a l า d z ē t แ a u นี้มีร้านอาหารดี m ไหมครับคุชเชตอิลลัปส์รีสอร์ทส์เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับครุสตุยยูมาเอเยตปาเกรซติต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับจ t ดเอเยตเนลเลียลูกาบาลูเตสเน่ต่อจากนั้นเลี้ยวขวา แล้วไปอีกหนึ่งร้อยมเมตรครับ t h i r Eight c n m e t e r s b e l คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ <S ar ar u s Verbrauch Ari Ar Autobus u คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ <S ar ar u s Verbrauch Ari Ar t r a m a u คุณขับรถตามผมไปก็ได้ Jūs varat ว i e n k ā r š i braukt aiz m อ n ์มาผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับค่าสวาร์นวอกลิวต์ลิตส์ a ุตบอลสเต m ดียมข้ามสะพานไปครับเบราเซตปา t ิติลต์มลอดอุโมงไปครับเบราเซตซาวริตุ n นล i ม ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ Brauciet l s t r e l u x o o r m ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ Tad Nogrizi Te s p i r m i l Palabi ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสีแนนนส่แยกถัดไป Tad Brauciet t a i s n p r n k o e m k r u t o m a m ขอโทษครับผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับ a t v a ว n o j ยตกาเอสวาโรนุกิโอตลิโดสตาว t ธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินวิสโลบากเบรอเซตอาร์เม็ตรอออกที่สถานีสุดท้ายเ i ย